เทน้นท่าอะไรนะถ้าฟังแล้วเขาบอกว่าโอ้ยฟังทำมาเยอะมากแต่แยกไม่ออกว่าอะไรควรกําหนดรู้อะไรควรละควรเจะอะควรทําให้แจ้งแยกอย่างนี้ไม่เป็นอันนั้นไม่ได้มาฟังหรอกเชื่อมานั่งหลับในห้องอมามาอาจจะมาพบปะสังสรรค์นในห้องเรียนเป็นต้นคิดถึงเพื่อนเก่าไม่รู้จะไปเจอกันที่ไหนเจอทีอ่พวกสนทนาธรรมดีกว่านี่นะจะได้ไปเจอเพื่อนเก่าได้นัดธุระอะไรสักอย่างได้สําเร็จถ้าอย่างนั้นก็ไม่สมความประสงค์ในการ ฟังอริยสัจธรรมเนี่ยนะพรฟังแล้วฟังเพื่อการกําหนดรู้เพื่อละเจริญและทําให้แจ้งเพราะคุณสี่เหล่าคุณธรรมเหล่านี้จะต้องแยกให้เป็นถ้าแยกไม่เป็นน่าสงสารมากๆเลยถือว่าเสียเวลามากเนี่ยนะไม่ได้ความรู้ความเข้าใจสักเท่าไหร่ก็ถือว่าน่าเห็นใจนี่กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าในบรรดาหัวข้อธรรมะเหล่านั้นอการกําหนดรู้การละการเจริญเนี่ยนะคือคือภาระที่ที่สําคัญมากที่ เป็นกิจที่สำคัญจริงๆนะกิจคือการกำหนดรู้การละการาการเจริญเนี่ยนะกำหนดรู้ละเจริญเนี่ยนะสามคำสำคัญมากาถ้ากล่าวถึงธรรมะเนี่ยนะในปฏิสัมพิถานิยมยกข้อความในท่าสุดละสูตรมาแสดงามากจะเอาข้อความในท่าสุดละสูตรมาเป็นตัวอย่างในคำว่ากำหนดรู้ละเจริญ กำหนดรู้ละเจริญเนี่ยนะกำหนดรู้แบบปริญญาละปหานะเจริญภาวนาทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คืออะไรภาษาอนภาษ ะ, อ, อ, าษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเนี่ยนะอันนั้นคือทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วทำหนึ่งที่ควรละอัสมิมานะแล้วทำหนึ่งที่ควรเจริญไงกายคตาสติอันสหรคตด้วยความสําราง นนหนึ่งนะถ้าพูดเนี่ยถ้พูดหลักหนึ่งทำไมทำหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คือภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสะวะเป็นตั จ, จัยแก่อุปาทา น, นนะภาโาสาสวอุปาทานิโยเนี่ยนะคือภาษะก็คือโลกิยาภาษะทุกชนิดควรกำหนดรู้อสมิมานะทุกอย่างควรละ ควรเจริญ่ะกายยคตาสติอันสหรคตด้วยความสําราญเนี่ยนะก็คือฌานทั้งหลายหรือกายานุปัสสนา น, นั่นแหละควรเจริญที่สุดเนี่ยนะอันนี้พูดถึงหมวดหนึ่งหมวดสองทำสองที่ควรกําหนดรู้คือนามัจารู ป, ปัญจะนามและรูปนามรูปเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้นามรูปเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ทำสองที่ควรละทำสองที่ควรละอวิชากับภาวะตัณหา อวิชากับภวะตันหาเป็นธรรมที่ควรละแล้วควรเจริญอะไรสมถะและวิปัสสนาใครชอบแบบปุ้ไม่ชอบคิดมากเอานะเอาแค่หมวดสองไปก็ได้ทำสองที่ควรกําหนดรู้คือนามรูปทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตันหาทำสองที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสสนาเพราะอะไรเพราะว่าใครที่กําหนดรู้ผู้นั้นชื่อว่าใดละผู้ใดที่ละกแสดงว่าเจริญมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆ ทีนี้ทำสามที่ควรกำหนดรู้คือเวทนาสามทำสามที่ควรละคือตัณหาสามทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามเออตรงนี้พิเศษนะยกสมาธิมาเนี่ยนะยกสมาธิมาเพราะว่าผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงบางคนนี่มันฟังมามากเรียนมาเยอะแต่มันฟุ้งซ่านเหลือเกินถ้าสงบซะอย่างเดียวนะอะไรอย่างอื่นจะเข้าใจหมดเลยนะ ทำสี่ที่ควรกําหนดรู้ล่ะทำสี่ที่ควรกําหนดรู้อาหารสี่ควรกําหนดรู้ทำสี่ที่ควรควรละอ่ะโอคะสี่ควรละทำสี่ที่ควรเจริญสติปทานสี่เนีนะสติปฐานสี่นะอาหารสี่โอคะสี่สติปทานสี่แล้วทำห้าที่ควรกําหนดรู้อุปาทานขันห้าทำห้าที่ควรละคือ นิวรณ์ห้าทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิห้าสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรกําหนดรู้คืออายตนะภายในหกทำหกที่ควรละคือตัณหากายะหกเรีหมู่ตัณหาหมู่กองหกนะแล้วก็ทำหกที่ควรเจริญก็คืออนุสติหกอนุสติหกควรเจริญทำเจ็ดที่ควรกําหนดรู้คือ วิญญาณทิฏฐิเจ็ดทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำเจ็ดที่ควรเจริญคือพ่อชงเจ็ดทำแปดที่ควรกำที่ควรกําหนดรู้คือโลกกระทำแปดทำแปดที่ควรละคือมิจฉาแปดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดทำเก้าทำเก้าบ้าทำเก้าที่ควรกําหนดรู้คือสัตวาวาสเก้าทำเก้าที่ควรละคือ ตันหาเป็นมูลเก้าทำเก้าที่ควรเจริญคือปาริสุทธิประธานนี่ยังะ 9, คะเก้าพระองค์แห่งความเพียรเป็นเครื่องบริสุทธิ์เก้าทำสิบที่ควรกําหนดรู้คืออายตนาสิบทำสิบที่ควรละคือมิชะตะสิบทำสิบที่ควรเจริญคือกเกษีเกษีนายตนาเรียกบ่อเกิดแห่งเกษิสิบเนี่ยนะจริงอ่ะทำหนึ่งที่ควรกําหนดรู้คืออะไร ภาษาเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะทำสองคือนามรูปทำสามคือเวทนาสามทำสี่คืออาหารสี่ทำห้าคืออุปาทานขันห้าทำหกคืออายตนะภายในหกทำเจ็คือวิญญาณที่ติดเจ็ดทำแปดคือโลกกระทั่งแปดทำเก้าคือสตาวาสเก้าทำสิบก็คืออายตนะสิบยิงก็ออันเดียวกันน่ะนะมาผ่านะมันจุพันเยอะอ่ะ ทำหนึ่งที่ควรละคืออสมิมาณะทำสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตัณหาทำสามที่ควรละคือตัณหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคะสี่ทำห้าที่ควรละคือนิวรห้าทำหกที่ควรละคือตัณหากายะหกทำเจ็ดที่ควรละคืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิฉตะแปดทำเก้าที่ควรละคือตัณหาเป็นมูลเก้า ทำสิบที่ควรละคือนิชตะสิบทำหนึ่งที่ควรเจริญคือทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายคตาสติสหรคด้วยความสำราญทำสองที่ควรเจริญคือสมถะและวิปัสนาทำสามที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่ที่ควรเจริญคือสติปัฏฐานสี่ทำห้าที่ควรเจริญคือสมาธิมีองค์ห้าทำหกที่ควรเจริญคือ อนุสติหกทำเจ็ดที่ควรเจริญคือพ่อชงเจ็ดทำแปดที่ควรเจริญคืออริยมตรตมีองค์แปดทำเก้าที่ควรเจริญก็คือองค์อันเป็นประธานแห่งความบริสุ 9. ทธิ์เก้าทำสิที่ควรเจริญก็คือกสินสิทนี่มาค่อยๆดูคําอธิบายตามลําดับมานะทำหนึ่งที่ควรเจริญมาดูข้อความในอัตถกาถาหน้าเก้าอธิบายข้อหกสิบเจ็ด ทำสรุปนะทับขับทำหนึ่งที่ควรเจริญก็คือกายคตาสติที่สอรคตด้วยความสําราญบทว่ากายคตาสติคําว่ากายคตาสติคืออะไรคือสติที่สัมปยุทธ์ด้วยการมณสิการถึงอานาปานาสติอิริยาบด์อิริยาบด์สอิริยาบดเล็กน้อยอาการ32มสองข้าสี่ป่าช้าเก้าและก็การกําหนดสิ่งปฏิกูล อันนี้ยกข้อความมาจากกายคตาสติสูตรบ้าง น, นะยกมาจากข้อความในสติปัฏฐานสูตรหรือกายคตาสติสูตรเราแบ่งตามบัพภะบัพภะทั้งหลายถ้าสติปัฏฐานสูตรเนี่ยบัพภะที่หนึ่งอาณาปานสติบัพภะที่สองอิริยาบถบัพภะสามสัมปชัญญะบัพภะอิริยาบถเล็กน้อยก็คือสัมปชัญญะบัพภะเสร็จแล้วก็ต่อด้วย อาการส 2, สองท่าสแล้วก็ป่าช้าเก น, นะพวกนี้อยู่ในกายคตาสติสูตรทั้งใครที่จเจริญแล้วก็มนานัศการโดยความเป็นปฏิกูลก็สามารถที่จะได้ฌานการกล่าวถึงกายคตาสติเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือกายานุปัสนาสติปฐานนั่นแหลนนะกายานุปัสนาสติปฐานหรือกายคตาสติเนะรียกว่าสติที่เป็นไปในกาย โดยอานาปาณะอิริยาบทและก็สัมปชัญญะอาการสามสิบสองท่าสี่ป่าช้าเก้าหรือปฏิกลมมรณสิการการกําหนดโดยความเป็นของปฏิกูลคือสรุปว่าจะมรณสิการโดยวิธีการใดๆก็ตามที่สุดของการมรณสิการเหล่านั้นก็คือเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ในความเป็นเป็นของปฏิกูลเนี่ยนะเป็นของปฏิกูลเป็นของที่หน้า หน้าเกลียดเนี่ยนะคำว่าน่าเกลียดกับเข้าไปเกลียดนี่มันไม่เหมือนกันนะในความน่าเกลียดของรูปเขาเป็นน่าเกลียดเช่นใดเป็นต้นเนี่ยนะเบื้องต้นและที่สุดของสิ่งนั้นเช่นเบื้องต้นของอาหารแล้วก็ที่สุดของอาหารอยู่ที่ไหนเช่นนะถ้าใครเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาก็รู้เลยนะว่าเบื้องต้นของอาหารกับที่จบของอาหารคืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่พิจารณาเรื่องรูปทั้งหลายก็ลักษณะนั้นนั่นแหละ ตัวสติอ่ะนะตัวสติหรือคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากการพิจารณากายดังกล่าวไปแล้วนี่แหละเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญธรรมหนึ่งที่ควรเจริญไม่ใช่เจริญตัวรูปนะกายคตาสติไม่ใช่เจริญกายแต่เจริญสติที่มีกายเป็นอารมณ์กายเป็นยายะสติเป็นยานะอันนนะ กายคตาสติก็คือกายเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้สติเป็นสิ่งที่ควรเจริญแต่ว่าเจริญโดยการกำหนดรู้กายโดยการพิจารณากายเนี่ยนะปัญกายยคตาสติคือสติที่สัมปยุทธ์ด้วยรูปประชานถ้าเอาแบบสูงสุดเลยนะกายยคตาสติตรงนี้หมายเอาสติที่สัมปยุทธ์ด้วยรูปประชานสาตสหคตาสหรคด้วยความสำราญนั่นกายยคตาสติที่สัมปยุทธ์ด้วยฌาน ปกติแล้วกายยคตาสติเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นระดับวิปัสนาและระดับฌานกายยคตาสติแบบวิปัสนาก็มีเพราะกายยัคตาสติที่เกิดร่วมกับอนุปัสนาทั้งหลายพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงในกายกับกายยคตาสติที่เกิดร่วมกับฌานฉั้นคำว่ากายยคตาสติเนี่ยนะทั้งโดยฌานทั้งโดยโดยวิปัสนาเนี่แหละคือธรรมที่ควรเจริญแต่ตรงนี้เน้นพิเศษคือ โดยฌานกายคตาสติที่เป็นฌานเป็นธรรมที่ควรเจริญแต่ถ้าพูดถึงฌานก็เท่ากับพูดวิปัสสนาเพราะยังไงสองสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของคู่กันไม่สามารถจะพลากจากกันได้เพราะถ้าใครเจริญพลาดเมื่อไหร่ทำที่ส่วนแห่งทุกข์ได้ไหมไม่ได้นี่นะทีนี้เน้นพิเศษคําว่าสหรคตด้วยความสําราญสติที่ประกอบด้วยความสําราญเนี่ยคือเป็นภาวะที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเป็นต้นกับความสําราญ หมายความว่าเป็นสติที่เกิดด้วยการสเสวยสุขอันหวานชื่นเพราะฉะนั้นมีความสุขกับการเจริญกรรมฐานนะคือเมื่อก่อนเนี่ยนะคนที่ไม่เจริญสติไม่เจริญกายยัคตาสติพวกนี้มีความสุขกับรูปแต่ผู้ที่เจริญกายยัคตาสติมีความสุขในกรรมฐานมันต่างกันเช่นเมื่อก่อนนะสมมติว่าคนที่ไม่เจริญกายยัคตาสติพวกนี้มีความสุขในเส้นผม อ่าเพราะผมผมเวลาผมสมบูรณ์ก็มีความสุขกับผมแต่คนที่เจริญกายยัคตาสติมีความสุขที่เกิดร่วมกับฌานเห็นความปฏิกูลของเส้นผมสุขภายในกับสุขภายนอกสุขภายในที่ที่ที่กล่าวไปนี่เรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่เจือด้วยอมิตแต่ถ้าเป็นสุขที่เกิดจากความเพลิดเพลินในผมพวกนี้ก็เป็นสุขมีอมิตเนี่ยนะถ้าผมแปลไปใจเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยนะแต่ถ้า มนสัสการโดยอสุภะจนมีความสุขกับการเจริญพวกนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่ควรเจริญส่วนต่อไปก็สหัคตะศัพท์ในพระไตรปิฎกสหัคตะเนี่ยนะสหสหรคตอ่ะที่แปลว่าสหรคตเนี่ยมีห้าความหมายที่พบในพระไตรปิฎกต้องต่ยกมาให้ดูหนึ่งตับภาวะสองโวกินนะสามอารามณนะี 4. นิสยาห้าสังสัทธะเนี่ยนะแรกก็บอกว่า ตับภาวะก็คือกำหนับด้วยความพอใจโวกินนะก็เจืออารมณะแปลว่าอารมณ์นิสยะหมายถึงนิสัยสังสัทธะก็ความเกี่ยวข้องแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ดูหนะึ่งสสา4ี่หดังกล่าวไปผ่านทีนี้คำว่าสหรคตในที่นี้ประสงค์เอาอะไรหน้าสิบบอกว่าไอ้ห้าข้อนี้เอาข้อสุดท้ายเอาข้อเดียวคือความเกี่ยวข้องคือสังสัทธะสังสัทธะ